พุทธคาราวตาคารพในพระพุทธเจ้าธรรมคาราวตาคารพในพระธรรมสังฆคาราวตาเคารบในพระสงฆ์ปฏิสันทะคาราวตาคารพในการปฏิสันฐานอัปมาทคารวตาคารพในความไม่ประมาทอันนี้รวมสรุปยอดเคารบในความไม่ประมาท เราเคารพดีใจเรามีใจหนักแน่นนึกน้อมระลึกเคารพในคุณของพระพุทธเจ้าการนึกน้อมระลึกเคารพในคุณของพระพุทธเจ้าเราเพียงแต่ระลึกคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ทุกระยะที่จะเรียกว่าภาวนาเราภาวนานี่ก็เป็นการเคารพเป็นขาดความเคารพ อย่างนั้นยืนตรงไหนเขเคารพอย่างนั้นหนักแน่นเป็นผู้หนักคารวะคารวะแปลว่าเคารพเคารพแปลอีกทีหนึ่งว่าความหนักแน่นความเอาใจใส่ความเอาใจจดจ่อเคารพในคุณพระพุทธเจ้ายืนตรงไหนก็พุทโธพุทโธเดินตรงไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธเอาใจมานึกมาคิดมาทํานู่นทํานี้เสร็จแล้วก็ย้อนมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทคารวตา ในวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเล็ดโดยสิ้นเชิงประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยมหากรุณาธิคุณประกอบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ธิคุณ มุทิตาวท่านประกอบไปด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณนี่คือความบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์บริสุทธิ์ด้วยพระองค์เองก่อนแล้วแล้วก็สอนพวกเราให้พวกเราได้บริสุทธิ์ตามรู้ทั่วถึงธรรมะด้วยพระองค์เองก่อนแล้วแล้วก็สอนให้พวกเรารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระองค์ทรงส อ, อนคำว่ารู้ทั่วถึงก็คือรู้เพื่อละกิเลสตัณหาอาสวะที่มีอยู่ในหัวใจให้หมดไปจากขันธสันดานแค่นั้นพอ ไม่ต้องเป็นสับพัญยูเหมือนพระองค์เนี่ยรู้ทั่วถึงนี่นี่คือความบริสุทธิ์ของพระองค์พระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณเนี่ยธรรมะทั้งหลายนั่นแหละพระปัญญาของพระองค์เนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมการรู้ทั่วถึงธรรมรู้ทั่วถึงได้ด้วยพระปัญญาที่คุณคือปัญญายิ่งปัญญาสอดแทรกไปตรงไหนทะลุ ป, ปลุโร่งไปหมดเรื่องของปัญญาเรา พิจารณาไปแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกปรลาดอัศจรรย์แต่ถ้าเราย้อนไปในหลักหลักของปัญญาก็คืออะไรหลักของปัญญาเาออหตุเหตุให้เกิดปัญญาอได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังเป็นเหตุให้เกิดปัญญาอามานึกมาคิดเขาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแล้วก็ภาวนาเป็นเหตุให้เกิดปัญญา ปัญญาก็คือรู้ทลุปุปโปรง่งรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้สรุปรองไปที่เหตุกับผลผลกับเหตุมันจะเกี่ยวข้องสัพพสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ที่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยพระองค์ยิ่งที่เรียกว่าพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณก็คือบริสุทธิ์ด้วยพระองค์เองก่อนแล้วแล้วก็มีเมตตาต่อสัตว์โลกทําตัวพระองค์เหมือนกับนาวาคือรวยใหญ่ ข้ามพวกเราขนพวกเราข้ามวัตตะสงสารเนี่ยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณเที่ยวประกาศพระศาสนานเป็นเวลาถึงสี่สิบห้าพระพรรษาตลอดชั่วอายุไขของพระองค์เข้าแปดสิบปีโปร์จิงได้ปรินิพานนี่คือพระมหากรุณาธิคุณเรามีความเคารพในคุณของพระพุทธเจ้า พระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณคุณของพระพุทธเจ้าหรือเรานึกเราคิดระลึกให้กว้างขวางออกไปเรานึกไม่ได้เรานึกไม่ออกเราแคนึกคําเดียวเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุโธเอาพระนามของพระองค์มาบริกรรมอย่างที่เราภาวนานั่งภาวนาให้ใจสงบอีกเป็นความหนักแน่นในคุณของพระพุทธเจ้าพุทธคาราวัตตา ธรรมคารวตาก็คือเคารพในพระธรรมพระธรรมก็คือความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่โปรงได้จากการที่ปร่งใช้ปัญญาเ น, นรู้ทั่วถึงธรรมรู้ความโลภรู้ความโกรธละเหตุแห่งความโลภละเหตุแห่งความโกรธรู้ความหลงละเหตุแห่งความหลงด้วยพระปินพระปัญญาสามารถพระปัญญาที่คุณนี่คือพระธรรม อาศัยพระปัญญาในะอย่างรู้พระธรรมเราก็มีความเคารพในพระธรรมที่พระองค์ทรงทรงอมาสรนพวกเรานะความเคารพในทีน่นี้หมายความว่าเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่ก็ถือว่าเป็นการเคารพในพระธรรมมีความเอาใจจดจอ่อเอาใจใส่ถ้าเราไม่เอาใจจดจอ่อถ้าเราไม่เอาใจใส่โอกาสที่พระธรรมจะเกิดขึ้นในหัวใจรสชาติของพระธรรม ที่เกิดขึ้นในหัวใจเพื่อใเราได้ดูดดื่มกินนะมันเกิดขึ้นไม่ได้เราจะต้องตั้งออกตั้งใจทําความภาคความเพียรให้ธรรมะเกิดขึ้นที่ใจเพื่อจะได้รสชาติของธรรมะมาดูดดื่มกินเข้าสู่หัวใจของเราเอาโอชะของธรรมมาหล่อเลี้ยงฉลมหัวใจของเราคือพระธรรมพระธรรมโดยเราปฏิบัติแล้วทําให้เราเข้าถึงผลของธรรมนั้นๆ เราเป็นบทเป็นบาทเป็นชั้นเป็นภูมิไปการเคารพพระธรรมอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไม่เหยียบย่ําตัวหนังสือเราไม่เหยียบย่ําไม่ข้ามกลายตัวหนังสือตัวหนังสือที่จดจารึกพระไตรปิฎกอย่างนี้ตัวหนังสือพระธรรมหลักสูตรนักธรรมต่างๆรวมมาถึงประวัติครูบาอาจารย์ที่ท่านพิมพ์ท่านพิมพ์แล้วก็มีหลักธรรมแจ้เข้าไปสรุปลงแล้วครูบาอาจารย์ท่านพาถือว่าไม่ ข้ามกลายไม่เหยียบย่ําหนังสือเพราะหนังสือเป็นตัวอักษรที่จดจารึกพระธรรมเนี่ยท่านเคารพถึงขนาดนั้นนะเราบางครั้งเราขึ้นไปบนรถบางคนเนี่ยเขาเอาหนังสือพิมพ์ไปปูให้เหยียบเราดึงออกเลยแหละนะในครูบาอาจารย์สอนมาจนฝังกระดูกดำเลยแหละที่จะเหยียบตัวหนังสือโอ้ยไม่กล้าเหยียบเลยแหละมันมันทำไม่ลงจริงจริงอะ่ะ ด้วยเหตุที่เราเชื่อปักจิตปักใจจริงๆนี่เป็นการเคารพในพระธรรมนะจะเป็นคำภีจะเป็นใบาลานจะเป็นหนังสื อ, อบรรจุธรรมะทั่วๆไปและจะเป็นหนังสือทั่วๆไปก็ไม่เหายียบไม่ย่มเพราะในนั้นอาจจะมีคำธรรมะเข้าไปสอดแทรกอยู่ในนั้นและเคารพในตัวหนังสือที่สาหรับจดจารึกพระธรรมนี่ธรรมคารวัตตาเคารพในพระธรรม อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเคารพในพระธรรมไม่เหยียบย่ำไม่เหยียบย่ําไม่ทําลายพระธรรมถ้าหากเราต้องการจ ะ, จ, ะจุดจะเผานะเราต้องการจะจุดจะเผานี่ครูบาอาจารย์ท่านมีอุบายวิธีนะท่านถ้ามีอุบายวิธีทีนีให้เราถอนออกซะก่อนอิมังติปิเตกังปัจจุธรามิ ติก็หมายความว่าสามไตรปิฎกเละปิตากังก็คือปิฎกอิมังติปิตากังปัจจุดรามินี่พอเราทําลงไปแล้วเราก็เอาไปเผาได้หมายความการเผานั้นถือว่าคุบาอาจารย์นั้นถือว่าเป็นการเก็บเป็นการทาาําความสะอาดอย่างหนึ่งวิธีหนึ่งเชอย่างเศษหนังสือเอวยเศษกระดาษเอวยอะไรอะไรเอวยเนี่ยหรือหนังสือธรรมะที่ถูกปลวกเจาะขาดกรุุ้งกระริ่งเนี่ยเรา การเผาให้หมดไปก็ถือว่าเป็นการเก็บถ้าเราไม่เก็บเราไปวางไว้เราไปเหยียบย่ําก็ถือว่าความขาดความเคารพอีก อ, อิมังติปิตกังติก็คือไตรนั่นแหละปิตกังก็คือปิดกอกปิดอกก็คือกระจัดสำหรับบรรจุพระสูตรพระอภิธรรมพระวินยัยพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรม ที่เรียกว่าเป็นปรไตรปิฎกเนี่ยท่านให้ปรรจุซก่อนเราทําอย่างนี้อยู่อยู่จนชินเลย เ, เวลาเราเราเก็บเราก็เก็บตามนี้เราก็ไม่ตะกิดตะขัวใจอ่าไม่มีความคลางแคลงระแวงสงสัยอะไรแหละครูบาอาจารย์ท่านบอกทสอนท่านเรียกว่ามันเป็นกัปปิยโวหารอ่ามันเป็นโวหารที่เราควรทําเหมือนอย่างเราให้เขากัปปินั่นแหละกัปปิโน้กกัปปินี้นี่เรากัปปิก็เพื่อทําให้เกิด เป็นกับปิยโวหารนเราต้องการลุมตรงนี้เอาเราต้องการตรงนี้มันร่งร่องพิจารณา ง, งาไม้นี่ให้เราเราต้องการทำหลุมตรงนี้เราตรงนี้ให้มันต้องการตรงนี้ ม, นนมันล่องไม่ให้มียาหญ้านี่เขาเรียกว่ารู้จักใช้กับปิยะโวหารยิมัอิมัมงติปิตกังปัจจุดธารมิปัดจุดรามดดรามิก็คือปัจจุดคือทอนออกนั่นแหละ็แล้วเราค่อยเผาอ่า ห้ามเหยียบย่าเพราะฉะนั้นนุ่นไอ้ตรงที่เรานั่งตรงนั้นนี่ยมูชอบเอานุ่นเอานี้ไปวางบนหนังสืออยู่ด้วยเราก็ให้อยู่เลยก็ยังไม่รู้เรื่องรู้สึกอยู่นั่นแหละหรือ <ừ, S 1> วันก่อนมีใครเอาหมวก่ะไปวางไว้วางแล้วเราก็ยกลงไปครั้งอีกครั้งหนึ่งเอาวางอีกแล้ววางบนหนังสือมันไม่ได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเลย หรืออาจจะได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้สำนึกขาดความสำนึกมีเราพูดให้เราเป็นที่เข้าใจ น, นี่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราได้รับความสะดวกสบายไม่ให้สิ่งมาขัดข้องขัดขามีความเคารพในพระพุทธเจ้าถาหมดความเคารพหมดความเรื่มสายศรัทธาแล้วก็หมดหมดศรัทธาหมดสะพานเชื่อมแล้วยู่เป็นหลักเป็นตอ่อไปวันๆเท่านั้นเอง หมดความเคารพในพระธรรมแล้วโอกาสที่จะตื่อรือร่อนศึกษาพระธรรมมันก็ไม่มีอยู่กูบาอาจารย์ท่านใช้คําที่เจ็บแสบกันอยู่แบบควายตาบอดไปวันๆโอ้โหเจ็บแสบนะ <c oughs> เป็นควายแล้วยังไม่พอตาบอดอีกอยู่เป็นควายตาบอดไปวันๆเราฟังดูแลเจ็บแสบไหมเจ็บแสบหัวใจซึ่งพวกเราอยู่ทำกลางข้อฝึกฝึกหัดปฏิบัติตัวเอง เพื่อความเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐแล้วก็เป็นคนเลิศ ด, ดีเราจะดีได้เราจะประเสริฐได้เราจะเลิศได้ด้วยโดยพระธรรมโดยพระวินัยคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าพุทธคาราวตาคารมหนักแน่นหนักแน่นในพระธรรมธรรมคาราวตาคารมหนักแน่นในพระสงฆ์สังฆคาราวตาสังฆคาราวตาคารพในพระสงฆ์พระสงฆ์โดยส ม, มุตินั้นตั้งแต่สีองค์ขึ้นไป สีรุขึ้นไปทั้งถือว่าสงเราจะพูดเราจะคุยเราจะแสดงกีริยาอะไรต่างๆทำกลางสงเราต้องดูความเหมาะสมถ้าหากไม่มีความเหมาะสมก็ถือว่าเป็นการขาดความเคารพการไม่พร้อมเพรียงมาประชุมให้เกิดความพร้อมเพรียงกันนี่ก็ถือว่าขาดความเคารพในประสงค์โดยเฉพาะอย่างงานบางอย่างต้องอาศัยสงเป็นกรรมเป็นสังฆกรรมเช่นอย่างเรา บ, บวชนาคเมื่อวาน ต้องอาศัยพระสงฆ์มาเป็ น, เ ป, นเป็นองค์ประกอบกรรมที่เนี่ยบรรนอกตั้องไปห้ารูปขึ้นไปปัจจันตะชนบททีเนี่มัธย ม, มชนบทมัธย ม, มประเทศปัจจันตประเทศประเทศนอกบรรนนอกหาพระยากรวมกันบวชตั้งไปห้าองค์เป็นต้นไปถือว่าเป็นสงฆ์มัธิมประเทศหมายถึงประเทศที่อยู่ในที่เจริญ สิบองเป็นขึ้นไปสิบองค์เป็นอย่างน้อยขึ้นไปท่านเรียกว่าการกกระสงการกกระสง์ผู้ประกอบองค์ประกอบในการทําสั่งกระกำนั้นๆั่นระยสวนปฏิโมกเอยนี่แต่การสวนปฏิโมกนั้นสี่องค์าก็ถือว่าเป็นสงการรับกฐินเอยต้องห้าองเพราะองค์หนึ่งรับกฐินองค์อีกสี่องเป็นสงอีกสองค์เป็นสง์บวชนาค เนี่ยอองหนึ่งเป็นพระอุปัชฌายะอีกสองคเ์เป็นสงฆ์บวชในชนบทได้ปัจจันตประเทศได้แล้วก็สิบองค์เป็นหัตถบานเนี่ยสิองค์รวมทั้งพระอุปัชฌายะด้วยเป็นการกรกะสงค์คือผู้ผู้ประกอบกรรมด้วยอนาจของสงฆ์สิองค์เป็นต้นไปในเมืองในมัธยมประเทศเนี่ยอาศัยครบองค์สงฆ์ตามองค์นั้นๆท่านเรียกว่า ครบพร้อมในสงเราอยู่ต้องกลางสงเราแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมถือว่าขาดความเคารพในพระสงฆ์นอกจากนั้นแล้วแต่ละองค์แต่ละท่านเราก็ถือว่าเป็นสงอ่เป็นสมุทิสงนั่นคือสงคือหมู่ในการประกอบกรรมพวกเราแต่ละองค์เราก็ถือว่าเราเป็นสงเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นลูกสงเป็นลูกสงเราก็มีความเคารพกัน ก็รบโดยลําดับตั้งแต่ผู้ใหญ่ไปถึงผู้น้อยผู้น้อยก็เคารพยำเกรงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เคารพยำเกรงในผู้น้อยที่จะเรียกว่ามีความเคารพกันโดยลําดับโดยชั้นโดยไม่แสดงกิริยาล่วงเกินทางกายทางวาจาโดยไม่ไม่แสดงกิริยานึกคิดลบหลู่ดูถูกตนดูถูกท่านถือว่าเป็นการเคารพในในสงในองค์สงในลูกสง คารบในผสมสังขารรตาถ้าหากขาดความเคารบแล้วมันก็มีทิฏฐิมณะเต็มแปร่อยู่ในนั้นแหละกิริยาในแข็งกระร่า ง, งแข็งกระร่างมันดุนฟืน้นกริยาที่จะอ่อนที่จะน้อมมีสังขารราตตาคารบในระสมคารบในหมู่ใ น, ในหมู่เพื่อนของเราคารบในระสง์สังขารราตตาเราดูคนเรา ที่อยู่ร่วมกันและมีตั้งแต่หนึ่งสององตั้งแต่สองคนเป็นต้นไปมันจะต้องมีผู้ใหญ่ผู้น้อยมันจะต้องมีผู้แก่ผู้อ่อนถ้าขาดความเคารพกันแล้วเนี่ยมันจะหันหลังให้กั น, นจะผลักกันเลยนะลูกก็ไม่เป็นตาดูฟั ง, ก, ง ก, ก็ไม่เป็นตาฟังกิริยาแสดงใสยกันก็ไม่เป็นไม่เป็นกิริยาต่างคนต่างได้รับความเร่าร้อนจากกิริยาที่ได้รับกันได้รับจากกันได้กันเนี่ยหาความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ แต่การคารพอ่อนน้อมตามตามไว้ตามอาิุโส ต, ตามพันเตเป็นความงามการเคารพกันนั้นเป็นความงามเป็นกิริยาที่งามลุงอูเขียนท่านพูดคําหนึ่งเราฝังและติดใจมากท่านบอกว่าการเคารพอ่อนน้อมต่อกันเป็นกิริยาที่งามเป็นกิริยาที่งาม เอาลองไม่เคารพกันดูลองแสดงขึงขั้งตึงต่างใส่กันดูไอคนที่ได้ประสบพบเห็นมันนึกคิดไปต่างๆนาน า, น า, น า, นานแล้วจิตใจไม่เป็นผ้าสุขละโอ้ยเขาเคียดให้เราเปล่าเขาแค้นให้เราเปล่าเขาทำใส่เราเปล่าจิตใจเร่าร้อนอยู่ไม่จบเนี่ยไม่จบนี่คือการเข้าหากันด้วยการไม่มีความเคารพต่อกันสังฆคาราวตา จึงเป็นเรื่องสําคัญสำหรับเราสำหรับท่านเราต้องมีความเคารพผู้ที่มีอายุปรรษามากกว่าเราตั้งแต่หนึ่งปรรษาเป็นต้นไปแม้แต่เราอยู่นาคซ้ายนาคขวามันก็ยังมีซ้ายมีขวาอยู่ท่านก็เคารพกันถึงแม้ว่าจะบวชวันเดียวกันเวลาเดียวกันเราก็ต้องเคารพกันยําเกรงกันะ การเคารพกันจากการยำเกรงมันจะเป็นการมันจะเป็นเหตุให้เราแสดงกิริยาอ่อนน้อมเข้าหากันนะบุคคลสองคนถ้าหากต่างคนต่างไม่เคารพยำเกรงแก่กันและกันกิริยาอ่อนน้อมต่อกันจะไม่มีมันจะมีแต่กิริยาที่แข็งกระด้างเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นการพูดกิริยาท่าทางรวมไปถึงความนึกความคิดนีความมันก็ไปจากความนึกความคิดทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นเหตุให้แสดงกิริยามาทางกายทางวาจา มันทําให้คนคนั้นเนี่ยสะสมนิสัยที่แข็งกระด้างไปเรื่อยๆนิสัยที่แข็งกระด้างเนี่ยมันเป็นมารยาทมันเป็นปฏิปทาที่ขายทอดตลาดก็ไม่ออกเป็นปฏิปทาที่ อ, อชั่งกิโลขายก็ไม่ออกไม่มีใครซื้อแหละไม่ซื้อโดยธรรมโดยวินัยแต่พวกที่มีมีนิสัยเร็วๆด้วยกันมันก็รับเ่าง่ายอยู่แต่คนที่ก็มีนิสัยดีแล้วเนี่ย แค่ได้ยินได้ฟังเขาก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังนี่หมายถึงกิริยาบารียาดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อ่อนน bras, ้อมถ่อมตนต่อกันแต่กันสรุปลงว่าต้องเคารพต้องยำเกรงการเคารพนั้นนะคือแสดงกิริยาอ่อนน้อมการยำการยำเกรงหมายถึงความเกรงอกเกรงใจผู้ใหญ่ก็มีความเคารพยำเกรงผู้น้อยได้ผู้น้อยก็มีความความยำเคารพยำเกรงในผู้ใหญ่ได้มีกิริยาที่อ่อนน้อมเข้าหากัน เราจะอยู่ด้วยกันอย่างเย็นอยู่เย็นเป็นสุขนี่การเคารพในพระสงฆ์มีความหนักแน่นในพระสงฆ์มีความหนักแน่นในความอ่อนน้อมการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นธรรมของปราชญ์นะแต่ถ้าเป็นธรรมของพานเนี่ยมันจะแข็งกระด้างเข้าหากันแต่ถ้าเป็นธรรมของปราชญ์คืออ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่พูดไม่คุยทับถมไม่โอ้อไม่อวดไม่อ้างทับถม พูดอ่อนพูดน้อมถ่อมตนนะบางคนท่านพูดถ่อมตนกิริยาที่ถ่อมตนเนี่ยเป็นเหตุให้เราบางคนมีนิสัยมักง่ายอยู่แล้วนี่เห็นเขาถ่อมตนมากเกินไปก็ไปเหยียบเขาซะอีกอย่างนี้ก็มีนะคนที่มีกิริยาจิตใจที่แข็งกระด้างมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นเขาทาตัวอ่อนน้อมเขาหาสมัยจะไปเหยียบเขาแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเะถ้าเพื่เขาแสดงกิริยาแข็งกระด้างเข้าใส่เดี๋ยวก็ไดฟาดกันละ เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิริยาของผานกับกิริยาของบัณฑิตเราพยายามฝึกให้มีในตัวเรากิริยาของบัณฑิตมีความอ่อนน้อมถม่อมตนมีความเคารพมีความยำเกรงนี่พุทธคารวตาเคารพในคุณของพระพุทธเจ้าธรรมคารวตาเคารพในคุณของพระธรรมสังฆคารวตาเคารพในพระสงฆ์แม้ทํากลางสงฆ์ที่เราประชุมอยู่อย่างนี้อ หรือเราไปชุมพิจารณาหรือเรื่องเราใดเราหนึง่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ลุกพวดภาคออกไปในธรรมกลางโดยไม่มีเหตุจําเป็นนี่ถ้าถ้าลุกไปโดยโด้วยเหตุไม่จําเป็นทั้งแต่ว่าขาดความเคารพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเช่นอย่า ง, างเรานั่งฟังธรรมเนี่ยนั่งฟังธรรมลุกออกไปด้วยเหตุที่เราไม่ไม่ระมัดระวังก็ขาดความเคารพขาดความเคารพในหมู่ด้วยขาดความเคารพในธรรมด้วยเนี่ย สังฆคาราวตาปฏิสันตค า, าราวตาเคารพในการปฏิสันถาน อ, อันนี้พวกเรารู้สึบอ่อนมากการปฏิสันถานหมายถึงการต้อนรับการต้อนรับอาการทุ ก, กะเราอยู่ในฐานะที่ว่าเราเป็นเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นก็คือเจ้าของบ้านปฏิสันถานก็คือต้อนรับผู้มาผู้มาท่าเรียกว่าอาการทุ ก, กะอาการุ ก, กะแปลว่าผู้มา เคารพในการปฏิสันถต์ตามหลักในวินัยท่านก็พูดเอาไว้อถ้าเป็นผู้ที่ยังอ่อนอยู่แต่เราเป็นผู้มีอายุมันสามารถกว่าบางอย่างเราก็บอกด้วยปากเอออย่างงั้นอย่างงี้นะอะน้าล้างเท้าตรงนั้นเอาน้ําดื่มตรงนั้นที่นั่งตรงนั้นอาสนะอยู่ตรงนั้นสะอาดอยู่ตรงนั้นหมอนอยู่ตรงนั้นพักกติตรงนั้นเนี่ยเราบอกอย่างนี้ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ แต่ถ้าหากรรษาเท่าเท่ากันและเรียกกันก็ต้องได้ช่วยกันทั้งทั้งจัดให้ทั้งนําทั้งพาธรรมเช่นอย่างเราจัดที่พักเขาแเราก็รีกุจ อ, อหาอะไรหาที่นอนหาจ่าหาหมอนหาผ้าห่มหาปูที่นอนด้วยพวกเราพวกเราขาดความรู้เรื่องการปูที่นอนนะคือพระเราจะต้องมีผ้าปูที่นอนเราสังเกตเว่ พว่าเราจะมีพระอาสนะเป็นที่นั่งพระอาสนะเป็นที่นั่งทีนี้การนอนเราจะต้องจะต้องมีผ้าปูที่นอนพระที่ไม่ใช้ผ้าปูที่นอนมีมีกรรมติดตัวมีกรรมติดตัวเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีผ้าปูที่นอนนะผ้าปูที่นอนนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติที่ถูกต้องตามธรรมตามวิมนัย ท่านเคยยกตัวอย่างมาวีมียักษ์ตนหนึ่งมียักษ์ตนหนึ่งเกิดมาแหละมีผิวมีขนมีหนังมีอะไรตะปมตะป่ ม, ป ม, ปมเต็มไปหมดเป็นปมเล็กปมใหญ่เต็มตัวไปหมดยักษ์ตนหนึ่งรูปร่างหน่าเกลียดหน้ากลัวพูดถึงอ น, นิสง์ย้อนหลังว่ายักษ์ตนนี้เนี่ยเคยบวชเป็นพระสมัยพระเจ้าองค์ไหนกันไหมลูก เสร็จแล้วก็ไปนอนคลุกคลีในอาสนะสง์โดยโดยที่ไม่มีผ้าปูที่นอนไม่มีผ้าปูที่นอนนอนเกลือกลิ้งไปมาทั้งเหงือทั้งใครทั้งกลิ่นทั้งอะไรจับอยู่ในนั้นเนี่ยแค่นี้เองเป็นผลเป็นอนิสงฆ์ให้เกิดมาแล้วมีผิวพันธุ์ตะปุ่มตะป๋ำเต็มไปหมดท่านพูดถึงนะท่านพูดถึงกรรมท่านพูดถึงบุปผกรรมพระสงฆ์เราโดยเฉพาะกรรมฐานเราเราจะมีผ้าปูที่นอน บางวัดที่ท่านหนักแน่นในในปฏิสันธคาราวัตาในการปฏิสันธฐานเนี่ยถ้าสมมติท่านจัดที่นอนให้เนี่ยท่านจะมีเออเราพูดกันง่ายๆว่าแบบที่เราทำได้ก็คือท่านจะมีศาสตร์ท่านจะมีศ า, าสตรมีเสื่อนี่แหละเสร็จแล้วท่านจะมีผ้าหม่มพับครึ่งหนึ่งแล้วก็ปูข้างล่างผ้าหม่มพับครึ่งหนึ่งแล้วก็ปูข้างล่างแล้วก็จะมีผ้า ป, ปูที่นอน ผ้าปูที่นอนนี้ถ้าเราจะใช้ผ้าผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าปูที่นอนสีนี่ก็สะดวกดูแลง่ายรักษาง่ายผ้าปูที่นอนนี้หมายถึงของส่วนรวมนะเราไม่ได้หมายถึงของส่วนตัวของส่วนตัวท่านจะใช้ผ้าสีหินก็ได้ใช้ผ้าสีสํมเร็จก็ได้ต้องมีต้องอธิษฐานเป็นผ้าปูที่นอนปัจจัดธรนังปัด จ, จัดธรนังแปว่าผ้าปูที่นอน อิมังปัจจัตฺธรรนังอธิฐานมิไปดูในแบบพิทุทิฏฐานมีมีใช่ไหมไปดูแล้วก็อธิษฐานตามนั้นอิมังบินฑุกับปังคารมิแล้วก็ทําวงๆที่มุมนั้นทำสักสองสามวงก็ได้อิมังบินฑุกับปังคารมิอิมังบินฑุกับปังคารมิอิมังบินฑุกับปังคารมิเสร็จก็มาอธิษฐานอิมังปัจจัตฺธรรนังอธิฐานมิอิมังปัจจัตฺธรรนังอธิฐานมิ อิมังปัจจัติทรณังแหละภาพแปลว่าผ้าปูที่นอนจะต้องมีประจำตัวเลยแหละถ้าไม่มีผ้าปูที่นอนเราจะไม่นอนบางครั้งเราไปเราเร า, เราจะนอนตรงไหนเราไม่ได้นี่เรานีหรือ เ, เราผ้าที่เราไลยุงนี่แหละแล้วก็ปูนอนได้เลยบางครั้งเราก็ซักเราซักเราเอาผ้านี้เป็นผ้าปูที่นอนได้เลยหรือไม่ไม่มีจริงๆเราก็เอาผ้าอะไรที่เป็นบริการของเรา ปูนอนได้เลยนี่เป็นการเป็นคราวแก้ขัดเป็นการเป็นคราวแต่เราจะต้องมีผ้าปูที่นอนประจำพระอาสนะเราก็มีแล้วผ้าผ้าปูผ้าผ้าปูนั่งนี่สีชนะเนี่ยผ้าปูนั่งก็เพื่ออะไรเพื่อกันเปื้อนกันเปื้อนที่สงนั่นแหละพระผ้าปูที่นั่งแล้วก็จะต้องมีผ้าปู่ที่นอนเนอนที่ห้องเรานั่นแหละไม่มีใครไปดูไปอะไรแหละแต่มันหากเป็นข้อปฏิบัติของเรา ถ้ายิ่งเราใช้หมอนอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาผ้าปูที่นอนเนี่ยปูทับหมอนอย่าไปปูที่นอนเสร็จแล้วเอาหมอนวางวางข้างบนแบบนี้หมอนตัวนั้นก็ไม่พ้นเปื้อนเหงื่อไม่กี่วันก็เหม็นคลุ้งแล้วปูเราเอาผ้าเอาผ้าเอาแล้วเอาหมอนวางบนศาสตร์หรือไม่ก็เอาวางบน ผ้าห่มที่เรารองปูนอนแล้วก็เอาผ้าปูนอนปูทับเข้าไปแล้วก็พับข้างบนเพื่อไม่ให้มันถลายออกอมันลื่นไหลหนีผ้าปูที่นอนมีความจำเป็นมีความสําคัญเราจะต้องมีเราไปไหนเราจะต้องติดตัวไปไปไหนก็ตามแต่ไปนอนที่ไหนก็ตามแต่จะต้องมีผ้าปูที่นอนไปแล้วก็ผ้าอาบน้ําเหล่าเราก็ใช้แทนผ้าปูที่นอนได้ บางทีไปไปบางคราวเราลืมบ้างอะไรบ้างเราใช้ผ้าผูอาบน้ําเราเนี่ยปูเป็นผ้าปูที่นอนได้คือเราสามารถอามาซักอามาอะไรได้เขาทํานะเราไปกรุงเทพเราไปพักที่วัดมณี ก, การเนี่ยเขาทํำเลยนะเขาจะมีศาสตร์เหมือนอย่างพวกเราปฏิบัติกันนั่นแหละเพราะมันเป็นปฏิปทาของ ป, ป่าสายป่ามันจะมีสตร์แล้วก็มีผ้าห่มพับครึ่งเป็นผ้าห่มพับครึง่งไม่งั้นมันมัน มันเจ็บกระดูกนอนเสร็จ แ, แล้วก็มีผ้าปูนั่งไอ้ผ้าปูที่นอนน่ะแหละผ้าปูที่นอนปูทับหมอนอีกที่หนึง่งแต่บางคนก็ไม่เข้าใจก็ไปปูก็เอาหมอนเนี่ยวางวางทับบนผ้าปูที่นอนเราเนี่ยถึงแมเ้เขาจะจัดให้อย่างนั้นก็ตามเราก็ไม่พ้นที่จะเอาผ้าปูที่นอนเราไปปูทับอีกที่หนึ่าเราเราจะได้ลุก ออกมาอย่างไม่ต้องได้คิดได้นึกได้คิดตามแหละเพราะเราปูแล้วเรามีเงือมีอะไรที่มันเป็นเหตุเปื้อนสกรปรกแล้วก็สามารถเอาของของเรามาซักได้นี่คือผ้าปูที่นอนต้องมีนะพระเราฟังแล้วต้องมีนะกลับไปใครยังไม่เคยมีต้องไปทําให้มีนะไปอธิษฐานใช้อิมังปัจจัทรนังอธิษฐานนี่เคารพในปฏิสันฐาน เราก็ไปหาที่แล้วก็ปูที่ให้แล้วก็เอาของไปมีน้ําใจช่วยรับบาตช่วยรับจีวรช่วยรับอะไรช่วยทำนู่นให้ทํานี้ให้หาน้ําหาท่าหาอะไรตัว อ, อะไรให้เราไปทําแบบนี้ชิวบาหนักแน่นในการปฏิสันถานในการต้อนรับอเช่นอยากเข้ามาสู่วัดเราวัดเรามีอะไรบ้างเวลาเท่านั้นทํานั้นเวลาเท่านั้นทํานั้นเจ่นอยากบายมอง ฉันปานะเนี่ยเราก็บอกเขาบ่ายโมงนี่มันฉันปานะเนี่ยบ่ายโมงฉันปานะบ่ายสามโมงปัดกวาดปัดตาดปัดจากที่กุฏิของเราแล้วก็ปัดมาเรื่อยๆมาจนถึงสลามารวมกันที่สลาไม่ใช่แบกตาดมาเฉยๆนะใครอยู่ตรงไหนก็ปัดบริเวณรอบกุฏิเจ้าของซะก่อนไม่ใช่ไปกุลีกุจอวิ่งตามเขาแล้วก็คอยกลับไปปัดที่หลังบางทีก็ลืมปัด แล้วหวนทางนี้เราเดินผ่านมาเราเราเราให้มันขวางหน้าเราทำไมปัดเอาให้หมดใครเซอร์ไม่ต้องปัดนะ่ะเราปัดเอาหมด อ, ะอ่ะคราวเขาปัดบ้างคราวเราปัดบ้างนี่คือคือการทำความสะอาดการปัดตาดทำความสะอาดแล้วก็ปัดไล่มาไล่มาไล่มานี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงการแนะนํราระบอกอาการทุกกะถึงเวลา ตอนเช้าเอามามาสล า, าตอนไหนเวลาไหนให้เราบอกเขารู้อ่าเพื่อจะได้ทําวัดมีอะไรบ้างมีทําวัดมีสวดมนต์มีนั่งภาวนาไปจนได้เวลาออกบิณทบาทเวลาเท่าไหร่ได้อารุณนะได้รุณแล้วก็หอมผ้าฝนไม่ตกไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกเราซ้อนผ้าอาจีวรซ้อนผังผ้าสังกายติแล้วก็ห่มไปหัดซ้อนให้เป็นนะเด็กพระใหม่ต้องพยายามฝึกหัด นีคือการปฏิสันฐานต์ตอนรับมีอะไรก็พูดคุยเป็นกันเองให้ความอบอุ่นใจกับเขามีนุ่นมีนี่มีอะไรกันเนี่ยก็แนะนำไปอะไรไปคนมาใหม่เราถือว่าเป็นอาคารทุกกะแต่ถ้ามาอยู่แล้วสมมติตั้งใจจะมาอยู่บางคนทำตัวเป็นอาการทุกกะไปตลอดนี่แบบนี้ก็ไม่เหมาะอ่าบางคนแม้แต่เป็นอาการทุกกะบางคนเข้ามาเราไม่บอกเขาบางคนเขาถามเลยนะ มีอะไรบ้างทำอะไรบ้างตอนนั้นทําอะไรตอนนั้นทําอะไรบินทบาทเวลาเท่าไรเขาจะถามเราก็จะบอกไปตามนั้นเพื่อจะได้ทําให้ถูกต้องไม่ขัดขวางกันยิ่คืออาการทุกกะเราก็อํานวยความสะดวกตามฐานาหนูรูปถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพูดกับเราซึ่งเป็นอาการทุกกะท่านก็พูดอย่างงั้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเออไปหาคนโน้นเออไปหาโมก็พาไปพักที่โน้นยังไงท่านก็บอกแต่ เราที่เราจะพาไปอะไรไปเนี่ยเป็นผู้น้อยเราก็ต้องอำนวยความสะดวกเขามีอั น, นิสงส์นะมีอา น, นิสงส์การต้อนรับขับสู่บางคนไม่เคยสนใจแล้วก็ทำให้เปลี่ยนเวลามีอาการทุกข์กะมาแล้วก็หลบหลๆๆๆบแลบ้วก็ห น, นีไปจเคยมีมีหรือร อ, อาจจะมีก็ได้ตอนนี้เราต้องศึกษาเราไม่รู้ข้อปฏิบัติเราทุกข์ใจนะ เราทุกข์ใจเวลาแขกมาทำยังไงครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มาทําไงตาเหลือกตาลานไม่รู้จะทําอะไรเหงื่อแตกเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรนะยเหงื่อแตกเฉยๆไม่รู้จะทําอะไรเราก็คิดที่หัดนั่งนึกคิดเลยถ้าเบื่อถ้าเครูบาอาจารย์มาอย่างนี้เรายกตัวอย่างเช่นอย่างมาบวชมาบวชนี้อาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอุปัชฌายะมาบวชเราจะทํำยังไงเราจะทําไง การที่เราต้องเตรียมขอยก็คือมีอาสนะมีน้ํามีท่ากระโถนกาลน้ํากระดงกระดาษอะไรเราก็เตรียมไปเครื่องปูเครื่องอะไรให้ดีไปพอเวลาท่านมาเราก็วิ่งรับย่ามเนี่ยวิ่งรับย่ามยกมือไหว้ท่านสมมติท่านถือย่ามมาแล้วก็ขอาการรับย่ามแล้วก็มือคว้ามับเลยนะไปคอยให้ท่านยื่นให้นี่บางองค์ท่านไม่ยื่นน ะ, อะขอากาศ ราบย่ามือเราก็ถึงเลยมือหนึ่งก็อยู่ข้างล่างมือหนึ่งก็จับข้างบนก็เดินอุ้มตามท่านมาควรจะพูดคุยควรจะสนทนาอะไรก็พูดคุยตามเหมาะสมไปนี่เราก็หัดนั่งคิดอยู่อย่างนี้แหละท่านมานี่ควรจะพักทาน พ, พาท่านยงไงคือเราจะแก้เขินเรายังไงเราจะไม่ให้มันเขินเขินต่ออาการทุกข์ภูมิานี่เราต้องนึกต้องวางแผนเข้ามาแล้วทําไง เราสมมติแขกมาพักมานอนอะที่ไหนว่างที่ไหนว่างโอ้กุติดหลังนู้นว่างถามหมูถามพวกถามอะไรที่ไหนว่างบางทีเราอยู่สองสามคนนี้ก็ไปช่วยกันบางคนก็ไปปัดไปกวาดไปเช็ดไปถูบางคนก็เอาบาดเอาจีวรท่านไปบางคนก็หานูน้นหานี้หาไหลไปเพิ่มไปอะไรช่วยกันไม่ใช่ใครเฝ้าสลากับมีแต่หน้าที่ของคนนั้นคนเดียวไม่ใช่ไม่ทัน บางทีแขกเข้าไปชันอย่างแขกเขาไปหาเราทุกครั้งนี้ไปบาที่คนเดียวไม่ทันมู่เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก็ต้องไปช่วยกันคนนั้นใดนั้นคนนี้ใดนี้เพราะอะไรเพราะทุกคนมีหน้าที่ที่จะปฏิสันฐานด้วยกันทุกคนผู้หนักแน่นในความในการปฏิสันฐานจะต้องทําอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องจะต้องคิดต้องนึกว่าจะทําไงมีแขกคนคุณบาอาจารย์มาจะทําไง ถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่ระวังเอาไว้ไม่นึกไม่คิดเอาไว้ไม่ศึกษาเอาไว้เนี่ยเราจะทุกข์ใจนะพอมาแล้วโอ้ยถึงตาเราเฝ้าสลาเสด้วยนะเงือแตพกพกัพกๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่รู้จะทําอะไรแหละอืทําอะไรหยิบนุน้นไม่รู้จะทําอะไรอ่ะ ม, มันเส่อซาก ง, งงไปหมดแหละต้องศึกษาทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องทําได้ทุกคน ต้องหนักแน่นในการปฏิสันถานด้วยกันทุกคนนี่ใครที่ไม่เคยสนใจก็ให้ฟังแล้วกสนใจไปฝึกฝนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราเราอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างไม่สอบถามกันนี่เรื่องบางเรื่องข้อววัดบางอย่างเลยหายไปเลยทิ้งไปอย่างบางคนเคยทําเป็นประจำข้อวัดนั้นๆเวลาเขาไม่อยู่เขาไม่ได้ทำแหละคนอยู่คนที่ยังอยู่ก็ทําให้เป็น ทำก็ทำผิดผิดถูกถูกทำก็เก้อเขินเขินนั่งนั่งเข้าอะไรหลบอย่างนี้ไม่ถูกต้องนี่เป็นการทอดทิ้งหน้าที่เป็นการทอดทิ้งหน้าที่ทอดทิ้งทอดทุระในหน้าที่เข้ามาทอดทุระทอดทุระนี่มันเป็ น, ม, นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เขาดูถูกเหยียดหยามเข้ามาทอดทุระเนี่ยเพราะฉะั้นเราต้องฝึกเอาไว้ต้องถามกาันเอาไว้ใครที่ เราอยากทําอะไรเราจะต้องรู้เอือนี่จะต้องทํานี้จะต้องหัดคิดเอาไว้นักภาวนาจะต้องนักนหัดนั่งคิดเป็นคิดให้มีสติมีสัมชัญยั ก, กํากับเพราะเวลาเราภาวนาเราต้องเชี่ยภาวนาให้สงบไปอย่าหัดพิจารณาเป็นเราต้องหัดนั่งคิดเป็นเจตนานึกเจตนาคิดใส่เข้าไปนักเข้ามันเดียวมันก็เป็นเอง หัดเจตนานึกหัดเจตนาคิดหัดนั่งคิดหัดหัดนั่งคึดนั่งนึกนั่งคิดเดี๋ยวก็เป็นเองนี่เราต้องให้หนักแน่นในปฏิสันฐานโดยเยพะวัดเราในครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่ค่อยมาเวลามีการมีงานเหมือนอย่างเวลาเรานิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมามาบวชหน้านี่ยรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยมันไม่มีไม่มีความสามาร์ทเลย บางทีไม่สามารถแล้วไม่มาใกล้เราถ้ามาใกล้เราเราจะบอกเ อ, อ ไ, ปไปนู้นไปนี่ไปเอานูน้นเอา น, น, อานี่เอาอะไรบางคนก็หลบหลบหล บ, ล บ, ลบหลายไปเลยถือว่าไม่ไม่นี่แบบนี้เขาเรียกว่าถอดธุระมันเป็นการซ้ําเติมตัวเองแทนที่จะได้บุญก็ไม่ได้การปฏิสันถานตอนรับนี่ได้บุญนะได้บุญได้ความดีทั้งหมดข้อทั้งหมดนี้พุทธิยถาท่รงมันญัด เพื่อพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความเจริญงอกงามไพบูนในพระธรรมในพระวินยัยทั้งนั้นท่านจึงบัญญัตนะินะวัดอาคกกนะอารทุกะนะอาคารทุกะแปลว่าผู้มาเราจะต้องมีวัด อ, อาคันทุกะผู้มาผู้ไป ในในไปดูในวัดนั่นนะท่านสอนทั้งผู้ไปทั้งท่านสองทั้งสอนทั้งผู้มาผู้มาผู้มาควรทําตัวยังไงจะปฏิปฏิสันถานพูดคุยทําอะไรกับเจ้าถิ่นอะไรยังไงท่านก็สอนที่ผู้ที่เป็นเจ้าถิน่นท่านก็สยอนควรจะตอนรับปฏิสันฐานผู้มาอย่างไงท่านก็สอนท่านสอนทั้งสองอย่างผู้หนักแน่นในวัดปฏิบัติเนี่ยจะเป็นผู้งามจะเป็นผู้งามในพระธรรมในพระวินัยจะเป็นผู้งามในหมู่ เราอย่าไปคิดว่าเราเราทำไม่ได้เราทำไม่เป็นหน้าที่ของเราในการทุกคนเห็นเห็น LOOK, มันแล้วเดินหลบเราหลบหายไปแล้วเดิวเราหลบหายไปแล้แลวเรียกมิดเฉยแหละไม่ดีเป็นการฝังตัวเองทั้งเป็นแทนที่จะพผล่ขึ้นมาให้ได้รับประโยชน์ก็ไมาได้ฮ <kee> ไม่ได้ความรู้ความพิเศ ษ, ษไม่ได้บุญพิเศษเพิ่มเติมนี่คือหนักแน่นใน าในการปฏิสันถานหรือตอนรับผู้มาที่เรียก ว, ว่าปฏิสันถา น, นากัรทุกะตอนรับผู้มาบางคนไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่เคยคิดทําไม่เป็นนะพระราชาก็เหมือนกันทําไม่เป็นเห็นเขามาก็นั่งอ้า ป, ปากดูเขาเขาจะอยู่ยังไงจะนั่งยังไงจะอยู่ยังไงตรงไหนอะไรมีน้ามีท่ามีที่อยู่ที่พักที่อะไรยังไงไม่สนไม่รู้เรื่องนั่งยืนอ้าปากพระเราเคือน ยืดหน้าปะดูเขาห่หละแทนที่จะนึกจะคิดว่าเราจะต้องทํำยังไงไม่คิดไม่นึกนี่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทํำนักเน่นในในปฏิสันฐานการต้อนรับไปมาหาสู่กันคนเรามันไม่มีใครหรอกที่จะไม่ไปมาหาสู่กันเราไปหาเขาเขามาหาเราเอ้าวลองเทียบกันดูที่เราไปหาเขาเนี่ยสมมติเราไม่สนใจเลยเราอยู่วัดเราเนี่ย เวลาเราไปหาเขาดูเนี่ยเราก็ทําเหมือนเราบ้างเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกเขินไหมจะอยู่ตรงไหนจะนั่งตรงไหนห้องน้ําห้องท่าตรงไหนจะทําอะไรยังไงเนี่ยเราไม่สนเลยเนี่ยเขินไหมเขินแหละเราก็เขินเขาก็เขินเวลาเข้ามาหาเราถ้าเราถ้าเราทําแบบนี้เขาก็เขินเานอกจากนั้นแล้วเขาตําหนิอีกอีกอย่างเลยตำหนิ พระไม่มีข้อวัดเน่ะหมดท่านตัวพระไม่มีข้อวัดถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะท่านไม่ต้องตั้งใจดูโดท่านเดินผ่านมาท่านสัมผัสท่านก็รู้แล้วว่าเราสนใจหรือไม่สนใจนอ่สนใจหรือไม่สนใจบางทีต้องไปแย่งท่านทำท่านก็ไม่ให้ทำบางคนนะถ้าเราแสดงความไม่สนใจตั้งแต่ทีแรกการจะรับย่ามก็ตามพอ เ, เขาอา่านแล้วก็อุ้มมาเลย การที่จะรับบาตก็ตามเราเขาโอกาสเขากาสแล้วก็อุ้มมาเลยไม่ต้องไม่ให้ต้องขอให้ท่านยื่นให้นะไม่ได้ดอกขอให้ท่านยื่นให้ไม่ได้ในเมื่อเมื่อเราจะช่วยท่านเขอโอกาสภาพเราก็อุ้มมาเลยอุ้มมาเลยถ้าท่านไม่ให้ท่านมีเหตุผลอะไรเราก็ฟังดูจําเป็นยังไงยังไงยังไงเราก็ฟังดูแต่ส่วนมากท่านก็ให้ถ้าเรามือถึงพร้อมเนี่ยท่านก็ให้ขอเฉยๆเดินตาม ถ้าไหล่ถท่านเไ็ไม่ไม่ไม่ให้หรอกครูบาอาจารย์บางองค์บางองค์ท่านก็ทำเป็นทีทาทีเป็ น, นเป็นถามอะาวโ อ, โอไม่ดีนะอย่าให้ตกนะแก่บาทเป็นไหมทำอะไรเป็นไม่เลยาก็ถามไปท่านก็พูดไปของแค่นี้เราทำของเรามาจนปันนี้เราก็ทำไม่เป็นเลยต้องศึกษาหมดแหละต้องศึกษา เ, า ร, เรื่อง มีความเป็นอยูเอ่เรื่องของความเป็นอยู่ถ้าเราขาดตกบกคร่องมันก็ขาดความสมบูรณ์แหละอ่ะอปะมาตคาราวตตาเคารพในความไม่ประมาทอันนี้รวมลงหมดเลยรวมสรุปยอดเคารพในความไม่ประมาทเคารพในความไม่ประมาทจะทําไงอะไรที่มันใกล้เนื้อใกล้ตัวที่สุดสติกํากับตัวเอง สติกำกับกายตัวเองสติกำกับจิตตัวเองตราบใดที่เรามีสติมีสัมปชัญญะกำกับกายตัวเองกำกับจิตของตัวเองอเราถึงจะทันภาวะที่เรียกว่าไม่ประมาทคารบในความไม่ประมาทก็คือพยายามตั้งสติตั้งสัมปชัญญะให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ปล่อยจิตให้ล่องลอยพานึกพาคิดจนเผลอเรอไปตามอำนาจของกิเลส มันลากไปเรื่องลากไปเรือชักไปเรื่องนั้นชักไปเรื่องนี้ไปมนไมรุ่นกี่ทวีปเละกว่าจะรู้สึกตัวมันดึงกันไปกินหมดละนี่ขาดความเคารพขาดการตั้งสติขาดการตั้งสัมปชัญญะก็เลยขาดความเคารพเกิดความประมาทนะเคารพในความไม่ประมาทก็คือต้องมีสติมีสัมปชัญญะกากับอมีสติมีปัญญาประกอบว่าโอ้เราต้องแก่เป็นธรรมดา โอ้เราต้องเก็บเป็นธรรมดาโอ้เราต้องตายเป็นธรรมดาความไม่ประมาททั้ทงนี้เป็นความดึงสติดึงสัมปชัญญะดึงปัญญาที่เรียกว่าสติปัญญามากํากับกายตัวเองมากํากับจิตตัวเองอืผู้ที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะมากํากับจะรักษาศีลก็รักษาไม่บริสุทธิ์ได้จเจริญภาวนาจิตก็ไม่อยู่ จะพานึกพาคิดก็สัญญาเรามันมาสวมรอยพานึกพาคิดนอกลูก่นอกทางเต็มไปหมดะเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเต็มไปหมดไม่มีว่างเป็นในหัวใจของของผู้ที่ไม่เคยนึกว่าเคารพในความไม่ประมาทเราจะต้องศึกษาเราจะต้องฝึกฝนเราจะต้องอบรมเราจะต้องฝึกขัดให้เป็นขัดกล่าวตัวเองให้เป็นเคารพในความไม่ประมาทะ ผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทคุณพระเจ้าท่ร ง, งตรัสว่าเหมือนคนตายแล้วนี่แหละตายทั้งเป็นคนประมาทก็คือขาดสติจำไม่ชัญญะขาดสติยับยั้งขาดสัมผัสัญญะรู้ตัวพานึกพาคิดพาพูดเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องตามราวโอกาสที่จะเกิดทุนไม่มีเกิดแต่โทษนำแต่ความเร่าร้อนมาให้กับตัวเองอยู่ดีๆพานึกพาคิดพูดไปพูดมาอ้าวกลายมีศัตรูอยู่ข้างตัวเราซะแล้ว มีหนึ่งแล้วไม่พออ้าวได้ศัตรูอีกแล้วอีกอีกหนึ่งอีกสองอีกสามไปที่ไหนคนประมาทไปสร้างแต่เพนแต่ภายแต่ศัตรูไว้ที่นั่น น, นี่คือผู้ประมาทคนประมาทก็เหมือนคนตายแล้วนั่นแหละมันมีไม่มีสีสันอะไรให้กับหัวใจของตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจริงว่าผู้ใดก็ตามหนักแน่นในความไม่ประมาทคนนั้นจะไม่ตายใจไม่ชะล่าใจจะไม่นิ่งนอนใจ ในการที่จะมาฝึกฝนอบรมดิ้นรนจากความจากความต่ําระดับต่ำํำๆภายในยจิตของเราก้าวเข้าไปสู่ระดับที่สูงๆขึ้นด้วยสติด้วยสัมผััญญาจากคุณธรรมเบื้องต่ําไปจนถึงคุณธรรมสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อมีจิตที่ละเอียดมีจิตที่อ่อนโยนมีจิตที่ไม่เป็นเวรเป็นภัยกับใครจะนึกจะคิด กับใครก็เป็นไปด้วยเมตติทัดียวว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมจะประกอบด้วยกายกรรมก็ประกอบไปด้วยเมตตาอ่อนน้อมไปหมดจะประกอบไปด้วยวจีกรรมพูดจาก็อ่อนน้อมไปหมดเพราะใจมันอ่อนน้อมอยู่แล้ว<ไ>คนพูนี้เป็นผู้อยู่อย่างไม่มีเวรอย่างไม่มีภัยเป็นผู้อยู่อย่างได้รับความสงบได้รับความสุขมีอานิสงส์ นี่คือเคารพในความไม่ประมาทสจบลงมาก็คือความภาคความเพียรตามหน้าที่ของเราต้องอย่ารักษาสิลให้เป็นอธิศินอธิสินก็คือแปลว่าสินยิ่งรักษาสินยังไงสินถึงจะยิ่งรักษาสินยิ่งกว่าชีวิตชีวิตจะตายก็ช่างไม่ยอมก้าวล่วงสินนี่ท่าเรียกว่าอธิสินนี่สินนี่เป็นสินในองค์มรรคถึงขั้นอธิสินแล้วน่ะเป็นสินในองค์มรรค พร้อมที่จะหนุนมักของเราให้เกิดให้เจริญอธิจิตคือจิตสงบสงบเพื่อ น, นธรรมดาสงบละเอียดลึกซึ่งสงบละเอียดจนทิ้งคำบริกรรมไปทั้งหมดที่ทีทททท่พวกเราภาวนากันเนี่ยที่เรียกว่าอธิอธิจิตอธิจิตแปลว่าจิ ต, ไปไปจตยิ่งหมายหมายความว่าความสงบของจิตน่มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นหรือถ้าเราจะเรียกตามลำดับชาญนก็คือระดับ ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ลึกเข้าไปชั้นที่สาก็ลึกเข้าไปชั้นที่สี่ก็ละเ e อียดลึกเข้าไปที่เรียกว่าอธิจิตอธิจิตเพราะอธิจิตมันหนุนอธิปัญญาอธิศินหนุนอธิจิตอธิจิตหนุนอธิปัญญาปัญญายิ่งปัญญาที่เห็นมักเห็นผลปัญญาที่เห็นธรรมเห็นมักเห็นผลเห็นข้อปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลแปลว่าปัญญายิ่ง จนสามารถทําให้เกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้เกิดญาณทัศน์ได้เกิดปัญญาญาณได้เกิดวิปัสนาญาณได้อติปัญญาเนี่ยพวกเราตั้งใจเพื่อจะให้มีศีลยิ่งจิตยิ่งแล้วก็ปัญญายิ่งร่องรอยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแ ส, งสดงเอาไว้นี่เราควรมีใจหนักแน่นมีความเคารพมีความหนักแน่นด้วยความไม่ประมาท ด้วยความไม่ชลาใจด้วยความไม่นิ่งนอนใจด้วยด้วยการไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเอาความขี้เกียจที่คร้านมาผัดวันประกันพรุ่งอยู่นั่นแหละไปไม่ถึงไหนแหละนี่คือผู้ประมาทความประมาทท้งนี้ทําให้เราอยู่เหมือนคนตายตายทั้งเป็นอศิล ป, ปะวิทยาที่จะฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นก็เกิดก็เกิดขึ้นไม่ได้ อนิทานเนท่านพูดถึงนิทานนะสำนักอาจารย์หนึ่งมีสิทธิ์หลายคนอ่ามีกิจวัตรอยู่อย่างหนึ่งคือจัดไวเ้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ่าสมมติว่าจัดไว้สองกลุ่มหรือสามกลุ่มในสำนักนั้นอ่าอา้าถึงคราวกลุ่มนี้ไปหาฟืนอาจากกลุ่มนี้ก็อาจจะสี่ห้าคนนี้เขไปหาฟืนเขาก็ไปแบกฟืนมาคนละแบกละแบกละแบก กะว่าฟืนนี้อยู่ได้กี่วันเจ็ดวันนี่อา้าต่อไปกลุ่มต่อไปสีห้าคนกันไปหาฟืนนะแบกมาคนละแบกละแบกละแบ ก, แบกคราวต่อไปเอากลุ่มใหม่อีกไปหาฟืนเอามาคนละแบกละแบกละแบเป็นกิจจวัดประจําของสำนักนั้นเนื่องจากว่าสำนักนั่นแสดงว่าจะต้องใช้ฟืนหงต้มนะทีนี้เขาพูดถึงสิทธิ์คนหนึ่งเป็นสิทธิ์ขิ้ ขี้เกียจขี้คร้านสิทธิขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยครับทอะไรก็ไม่ทันเขาดอกติดสบายนะความติดสบายนี่คือความขี้เกียจเราดูให้ชัดเจนความติดสบายไม่ใช่ความนึกความคิดติดสบายนี่คือขี้เกียจที่คร้านสิทธิขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยมันไม่ค่อยกระตือรือร้อนกับเขาดอกพอถึงคราวทีมหรือ กลุ่มของของตนไปหาฟืนเข้าะเขาก็บอกอย่แล้วอาวันพรุ่งนี้นะปะกันรีบกินริบอะไรแต่เช้าเลยโคลี ก, กจอรีบไปเอาฟืนมาไปหาฟืนมาก็ารู้อยู่แต่สิทธิกีเกียฮิค้านเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจดอกต้องวิ่งตามเขาข้าเข้าไปถึงไหนแล้วก็ต้องวิ่งตามเขาโดยความขี้เกียจีิคารานไปถึงป่าฟืนนั่นแหละ คนอื่นเขาไปแยกย้ายกันหาหาไม้ตายมาทําฟืนหาไม้ตายมาทําฟืนสิตคนขี้คร้านี่ไปเขาไปอยู่ใต้ต้นกลุ่มต้นหนึ่งเออนี่ต้นกลุ่มตัวนี้แหละพอจะได้เออไม้กิ่งกิ่งที่มันตายก็มีอะไรก็มีเออพอจะได้เออใครจะไปหาที่ไหนใครเช่ามันเถอะนอนซะก่อนนอนซะก่อนด้วยความขี้เกียจขี้คร้านนี่เขาเรียกว่าสิตผูกเกียจคร้านอ่านอนซะก่อน ที่ไหนได้มันมันไม่สน่อยแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วลุกปุริกุจอมาเอ้าฟื้นก็ยังไม่ได้เออถ้าหาฟื้นก่อนแล้วมันนอนเนี่ยคอยังชั่วลุกขึ้นมาก็าพิ้งตามเขาเข้าไปได้ไปมือเปล่าก็ไม่ได้นะาเดี๋ยวอาจารย์ทําโทษอีกพอลุกขึ้นมาโอ้ยเวลาลงไปมากมาแย่มันนอนไม่แป๊บเดียวแหละมันไม่มีใครคอยปลุกอะ่ะเลยลุกขึ้นไปค ว, า ว, า ว, าวาา้านุนคว้านี่คว้าเอะงาไม้ตายเนี่ยคว้าไปคว้ามา มันได้ได้ทั้งไม้สดได้ทั้งไม้แห้งแนบหนักๆเข้าได้ไม้สดมากกว่าออคว้าไปคว้ามาไอ้งาไม้มันทิ่มต า, าซะร้องเจ็บปวดอดโอยอยู่นั่นแหละคนเดียวอยู่นั่นแหละไอหมูเข้าไปถึงไหนก็นไม่รู้แหละนะพอลงมาแล้วก็คุลี่กุจอเดินเปิดเปิดเปิดปิดปิ ด, ป ด, ป ด, ป ด, ปดตานัเนแ่ยเพราะตาถูกไม้แทงวิ่งตามหลังเข้าไปนี่คือความขี้เกียจขี้คร้านพื้นที่จะได้ก็เป็นพื้นไม้สด ไปเขไปถึงนะทั้งเจ็บทั้งปวดตาเนี่ยไปไปถึงกองที่เขากองฟืนเอาไว้ก็โยนโครมเข้าไปมีแต่ฟืนไม้สดทั้งนั้นนะไปทับเขาอ่าไปทับเขาทีนี้อาจารย์ก็สั่งเอาไว้วันนั้นอาจารย์สั่งไว้เออวันพรุ่งนี้อเขาจัดครับตั้งมงคลที่นั่นบ้านนั้นเราไม่ได้ไปนะให้พวกเธอทั้งหลายพากันไปอเราเราไม่ว่างให้พวกเธอทั้งหลายพากันไป ให้หุงข้าวกินแต่เช้าก็ารีบไปทําสวัสดีมงคลให้กับเขาแต่เราจะเทียบก็เมื่อกว่าเราไปสวดไปอะไรนั่นแหละแต่ว่ากินต้องกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จไปกินข้าวเสร็จไปทีนี้ตอนเช้ามาแม่ครัวไปหุงต้มเลยแตไปจุดไฟยังไงมันก็ไม่ติดจับยังไงเอายังไงมาใส่มันก็ไม่ติดเอาฟืนไหนมาใส่มันก็ไม่ติ ด, ไ, ไ, ตดไปเจอแต่ฟืนสด ในที่สุดเลยไม่ได้กินข้าวจนสายไม่ได้กินข้าวไม่ได้ไปทําสวัสดีมงคลไม่ไม่ได้ทําสวัสดีมงคลในที่สุดไอ้ของรางวัลที่เขาจะให้ตอบแทนที่จะได้มาสู่สานักมันก็อดไม่ได้มันก็เกิดถามไปํามาถามไปํามาฤทธเดชของใครเอาแต่ฟืนไม้สดมาถามใไปํามาก็นี่แหละอ่าตัวการนี่แหละตัวขี้เกียจขี้คร้านไอ้สิทธเจ้าสําดาจตัวขี้เกียจขี้คร้านนี่แหละ ะเขาให้ไปด้วยนะเขาให้ไปด้วยโอ้ไม่ไปไปไม่ได้ทําไมเจ็บตาไม้แทงอ่ะไม้แทงขออยู่ได้ไหมไม่ไปเ่าเจ็บตาตาเจ็บที่ไม้มันแทงนั่นนะคือความขี้เกียจขี้คลานมันก็ได้ใหญ่ๆกั้นเรืองศิลปะอะไรก็ไม่ทันเขานี่คือนิทานจิตเกียจคลานท่านมีใ น, นชาตดกอยู่ไปฟังนิทานวันเถงยงทำนะเขาพูดไว้หนะ น้าเป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีความพี่เกียจขี้คร้านไปไม่ทันเขาไปไม่ทันเขาไปไม่ทันเขาไปรีบกุลีกุจอนาไม้แทงตาอีกนะกลับมาก็ได้แต่ฟืนสดมาทิ้งไหนสุดตอนเช้ามาอดข้าวอีกแม่ครัวหุงข้าวไม่ทันกินไม่ทันเวลาไปในสุดสายแล้วเลยไม่ได้ไปอาจารย์มาเทศให้อีกเอตโรอาจารย์ทําโทษอีก นี่คือสิทธิ์เกียดคร้านความประมาทความประมาททาให้เกียดคร้านความประมาททาให้นึกลืมนึกลืมคิดลืมตั้งเนื้อตั้งตัวลืมระมัดระวังเคารพในความไม่ประมาทเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวโดยแท้ผู้ที่มีความประมาทโยก ชื่อว่าเป็นผู้เฉยเมยนิ่งนอนใจชล่าใจนะแล้วก็ปล่อยให้หัวใจถูกกิเลสย่ำยีในหัวใจทุกระยะทุกเวลาแล้วก็ก้าวไปไม่ถึงไหนดีไม่ดีทำตัวไม่สมภาคสมภูมิเท่าเท่าเท่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้สมกับความเป็นมนุษย์สรุปลงว่าทุกอย่างเคารพในคุณของพระพุทธเจ้า เคารพในคุณของพระธรรมเคารพในคุณของพระสงฆ์พูดถึงพร้อมด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นคนที่น่ากราบไหวน่าชมเชยน่าสรารเสริญทั้งมนุษย์ทั้งเทวดากับบุคคลเช่นนั้นเพราะเป็นพูดถึงพร้อมด้วยความงามเคารพในคุณพระพุทธเจ้าเคารพคุณพระธรรมเคารพในคุณของพระสงฆ์คนที่ขาดความเคารพในคุณของพระพุทธเจ้าก็ด่างเย่อหยิ่งจองหอง ขาดความเคารพในคุณของพระธรรมไม่รู้ที่สูงที่ต่ำเยยบย่ำคำภีใบลานที่บรรจุพระธรรมขาดความเคารพในคุณของพระสงฆ์นะไม่สนใจว่าใครจะมีอะไรเป็นไรเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเข้าไปในที่ชุมนุมก็เอะอะโวยวายนะจะลุกจะนั่งจะอะไรไม่ค่อยได้คำนึงคำนวณขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขาดความเคารพในการปฏิสันถานต้อนรับ ่ะมันก็ขาดความนิยมชมชอบ่ะเคยได้ยินนิทานเขาพูดเอาไว้เนี่ยโจรขมโมยแท้ๆเนี่ยว่าจะไปปล้นบ้านหลังหนึ่งอนี่ท่านพูดไปดูในหนังสือของทอเหลี่ยงพี่บุญเขาพูดเอาไว้ว่าจะไปปล้นบ้านหลังนั้นแหละแต่ไปขอขีนข้าวก่อนแต่เจ้าภาพไอ้เจ้าเจ้าบ้านเนี่ยไหวทันนลยไหวทันมีกิริยาไหวทันคือคิดทันว่าโอ้พวกนี้น่าจะมาไม่ซื่อ จัดเลี้ยงอย่างดีเลยมีนูน่นมีนี่มีข้าวปลาอาหารา ล, ล้มเป็ดล้มไก่ให้กินอย่างดิบอย่างดีเลี้ยงแบบเป็นกันเองแบบไม่อัดไม่อัน้นในที่สุดไอ้โจรที่คิดว่าจะปล้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วนับถือเป็นมิตรนับถือเป็นสหายช่วยปกป้องช่วยคุ้มครองน่รอดพ้นไปได้ นี่คือในสองของการปฏิสันถานการต้อนรับแม้แต่เขามีเจตนาร้ายไปก็กลายเป็นเจตนาร้ายดีกลายเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นพ้องได้กำลังแก่กันและกั น, กกนได้เห็นนะเคยได้ยินเขาเล่าเอาไว้ผู้ที่มีปฏิสันถานตรงกันข้ามถึงแม้ว่าเขาจะไปยินด้วยความยินดีจะเอาโลกเอาโชคเอาลาบ เอางานเอาธาระหน้าที่ ด, ด, ดีไปให้แท้แต่เกิดผทิ่สันฐานไม่เหมาะไม่สมไม่ควรแทนที่จะได้เขาเขาไม่ให้เออตอนรับไม่เหมาะสมไหมไม่ต้องให้ละไม่คู่ควรไม่ให้ในทสุดก็อดอีกนี่คือคุณโทษเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เคารพขาดความเคารพในในความไม่ประมาทก็คือเป็นคนประมาทอยู่ทั้งวันทั้งคืนกินเดินนั่งนอนนั่นแหละ กลายเป็นคนที่เกียที่คร้านอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนทีทานที่ยกตัวอย่างมานี่แหละนี่คือคือความเคารพความหนักแน่นพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วนําไปเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติและจะเป็นความงามไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่งเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องศึกษาให้รู้จักให้เข้าใจให้รู้จักให้เข้าใจด้วยการทุกคน ไม่อย่างนัะนหนักแต่คนใดคนหนึ่งแหละไอ้คนที่สบายก็ค่อยหลบอยู่เรื่อยนี่เป็นเรื่องสําคัญนะใครอยากดีออยากก้าวหน้าอยากเจริญอยากมีศีลมีธรรมอยากถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็จงตั้งใจฝึกฝนอบรมไม่รู้ไม่เข้าใจก็สอบก็ถามถามหมู่ถามเพื่อนถามพวกถามใครถามเรา เวลามีอะไรคับขันที่อยู่ใกล้เราให้มาเราเราจะบอกทำนั้นทำนี้อย่างนั้นอย่างนี้บางคนไม่สนนะไม่มาใกล้ล่ะเราไม่รู้จะไปเรียกใครอะถ้ามาเราก็จะได้บอกบางทีเราก็อุทาน ห, หน้าด่านมันกันนะบอกต่อหน้าแขกซึ่งมันน่าละอายเขาเหลือเกินขายหน้ามากๆานะบางอย่างซึ่งเราไม่ควรบอกลูกศิษย์เราตอนนั้นต่อหน้าแขก ล้วก็หน้าด้านบอกเพราะอะไรเพราะอมันไม่รู้จะแก้ไขยังไงแหละลูกสิธิ์มันไม่รู้เรื่องอเอาหน้ากันไว้บ้างก็แล้วกันเอาละพอส้งควรแก่เวลา